จเจริญพรท่านผู้มีเจ็เมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาบำเพ็ญบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี้เป็นปัจจัยสี่ของจิตใจจิตใจถ้าขาด บ, บุญกุศลก็เหมือนกับร่างกายที่ขาดปัจจัยสี่ก็จะอยู่อย่างไม่เป็นปกติสุดร่างกายต้องการอาหารแันใดใจก็ต้องการอาหารฉะนนั้น ร่างกายต้องการเครื่องน้่หนห่มใจก็ต้องการเครื่องนึ่งห่มร่างกายต้องการที่อยู่อาศัยใจก็ต้องการที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันร่างกายต้องการ ย, ร า, ร า, า, รยารักษาโรคใจก็ต้องการยารักษาโรคเช่นเดียวกันดังนั้นเราเจึงควร <c oughs> ดูแลทั้งสองส่วนของชีวิตเรา ใหครบถ้วนบริบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใจของเราซึ่งมีความสําคัญกว่าร่างกายของเราเป็นหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันแต่เรามักกลับไปเห็นร่างกายของเรามีความสําคัญกว่าใจของเราเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีใจหรือมีเราก็ไม่รู้ว่าใจของเราต้องการอะไร ถึงจะทำให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็น เ, เป็นสุขเราจึงมักจะดูแลร่างกายของเราเกินความจําเป็นแล้วก็ไปดูแลความอย า, ขอ า, ากของเราความโลภของเราซึ่งเป็นตัวที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราก็คือความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆ ทุกครั้งที่เราโรคเราโกรธเราหลงใจของเราก็จะไม่สบายขึ้นมาเหมือนขอดติดติดเชื้อโรคเป็นไข้ชนิดต่างๆใจของเราเวลามีความอยากความต้องการความโลภความโกรธความหลงใจของเราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่สบายอกไม่สบายใจ เหมือนกับร่างกายเวลาที่สิดเชื้อโรคร่างกายก็จะไม่สบายเป็นไข้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ดังนั้นเราต้องดูแลใจของเราอย่างน้อยก็ต้องให้เท่ากับดูแลกายของเราที่เราดูแลกายกันเป็นอย่างมากก็เ พ, เพราะเราหลงคิดว่ากายเป็นตัวเราของเรานั่นเองเราจึงต้องดูแลกายของเราอย่าง สุดกำลังเลยเพื่อที่จะรักษากายของเราให้อยู่ไปให้นานที่สุดให้เป็นปกติสุขให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะความหลงของเราไปคิดว่าตัวเรานี้เป็นร่างกายนั่นเองแต่ความจริงแล้วใจของเราต่างหากที่เป็นตัวเราที่เป็นส่วนที่เราควรจะดูแลเหมือนกับเราดูแลรักษากายของเรา ถ้าเราดูแลรักษาใจของเราเหมือนกับเราดูแลรักษากายแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานี้จะไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากการได้ดูแลรักษาใจของเราดังนั้นขอให้เราดูแลใจของเราพอๆกับดูแลร่างกายของเราเพราะตัวเราที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นของธรรมชาติเป็นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสักวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจของเรานี้อยู่กับเราไปตลอดแต่จะอยู่แบบไหนอยู่แบบสุขแบบสบายหรืออยู่แบบทุกข์แบบวุ่นวายก็อยู่ที่ว่าเราดูแลใจของเรา เหมือนกับเราดูแลร่างกายของเราหรือไม่ถ้าเราดูแลแล้วรับรองได้ว่าใจของเรานีจะให้แต่ความสุขกับเราตลอดเวลาจึงขอให้เราหันมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้คือการดูแลใจของเราด้วยปัจจัยสี่นั่นเองบุญกุศลที่เราต้องสร้างนั้นก็มีอยู่สี่ประการด้วยกัน เหมือนกับปัจจัยสีของร่างกายทานก็คือการให้ทานนี้เปลี่ยบเหมือนกับอาหารเวลาที่เราได้ทำบุญให้ทานใจของเรามีความอิ่มเอิบ ม, มีความสุขส่วนศีลก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าเครื่องมุ่งหงของใจใจจะสวยจะงามก็อยู่ที่เสื้อผ้าพรของใจก็คือศีลนี้ ถ้าใจมีสีแล้วก็จะเป็นใจที่น่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมน่ากราบไหว้บูชาอย่างที่เรากราบไหว้พระทั้งหลายเพราะเราเห็นว่าท่านมีใจที่ดีนั่นเองใจที่สวยงามมีใจที่เป็นสีเป็นธรรมส่วนสมาธินี้ก็คือที่อยู่อาศัย ของใจที่หลบภัยต่างๆเหมือนกับเราอาศัยบ้านที่อยู่อาศัยของเราหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเวลามีเหตุการณ์วุ่นวายภายนอกเราก็ต้องรีบเข้าบ้านกันเพื่อที่จะได้ปลอดภัยจากภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยจากฝนฟ้าอากาศหรือภัยของคนที่บ้าคลั่งต่างๆ ที่จะทำร้ายเราได้แต่พอเราเข้าบ้านแล้วเราก็ปลอดภัยใจของเราก็เช่นเดียวกันใจของเราก็ต้องประสบกับเรื่องวุ่นวายต่างๆในแต่ละวันมีปัญหาต่างๆมาให้เราต้องปวดศีรษะปวดปวดใจอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องรู้จักขาที่พักก็คือบ้านของเรา บ้านของเราก็คือสมาธินี่ถ้าเราทำใจให้สงบเข้าสู่สมาธิแล้วเรื่องราววุ่นๆุ่นต่างๆภายนอกใจก็จะไม่เข้าไม่ตามเข้ามาได้เรื่องของสรรเสริญลินทาเรื่องของการเจริญร่อมของลาบยศของความสุขและความทุกข์ต่างๆก็จะไม่สามารถเข้ามาภายในใจของเราได้ แต่พอเราออกจากสมาธิออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็ต้องกลับไปรับรู้อีกเพราะสมาธินี้เพียงแต่เป็นที่พักเป็นที่หลบเท่านั้นเองพอออกมาแล้วพอเจอเรื่องราวต่างๆก็ยังจะต้องว้าวุ่นขุ่นวัวขึ้นมาได้และถ้าเราไม่สามารถกลับเข้าไปในสมาธิได้เราก็ต้อง กลายเป็นโรคจิตไปได้วิธีที่เราจะรักษาโรคจิตของเราก็คือต้องใช้ปัญญาปัญญานี้เป็นธรรมโอสถปัญญาโรครักษาโรคจิตคือโรคความวุ่นวายความฟุ้งซ่านความซ้เศร้าหมอยเหงาความติดหนาระอาใจความเบื่อหน่ายความท้อแท้ความเศร้าโศกเสียใจนี่คือ เป็นโรคของใจและไม่มีอะไรจะรักษาโรคของใจนี้ได้นอกจากปัญญานี้เท่านั้นถ้าเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆด้วยหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะผ่อนคลายความทุกข์ความว่าวุ่นขุ่นโมได้เพราะความว้าวุ่นขุ่นัว ความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากการที่เราไม่เห็นว่าเขาเป็นกายรักไม่เห็นว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยเราก็จะปล่อยให้เขาเป็นไปตามความจริงของเขา เขาจะเกิดหรือเขาจะดับก็ต้องยอมรับเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับความจริงพอเราปล่อยแล้วใจเราก็จะหายจากความทุกข์ต่างๆอยู่อยู่ที่การมีปัญญามองเห็นไตรลักษณ์ทุกครั้งที่เรามีปัญญามีปัญหา ขอให้เรามองปัญหาว่าเป็นเรื่องไม่เที่ยงเป็นเรื่องที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกับขนตกแดดออกที่เราไปควบคุมบังคับไปได้เช่นสมมติเราต้องสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปเราก็ต้องอยอมรับว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา หรือเราจะต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นเหมือนกับฝนตกแดดออกที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราได้ด้วยการยอมรับความจริงด้วยการปล่อยวางรับรู้เฉยๆรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ แล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถทำอะไรได้ถ้าเรารู้จักใช้ใจรักมาแก้ปัญหาแล้วรับรองได้ว่าปัญหาต่างๆในโลกนี้จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจสร้างความเศร้าโศกเสียใจสร้างความหวาดกลัวสร้างความอิจฉาราอาใจท้อแท้เบื่อหน่าย ให้กับเราได้เลยเราจะอยู่เหนือความรู้สึกต่างๆแบบ น, นี้ด้วยปัญญาคือด้วยธรรมโอสถของพ่อระพุทธเจ้านี้เองที่เราจึงควรพิจารณาใจรักอยู่เรื่อยๆที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ด้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นี่แหละคือการเจริญใจรักแล้วเจริญอนิจจังแล้วเพราะความแก่ความเจ็บความตายความพัาดพลาดจากกันนี้ก็คือความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนและไม่อยู่ในภายไส้อำนาจของเรา ที่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการได้ถ้าเราสั่งได้เราก็จะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ต้องพัดพรากจากคนที่เรารักคนที่เราชอบเราก็จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดแต่นี่มันไม่ได้เป็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่ใจของเรามารับรู้มาเกี่ยวข้อง และมาหลงยึดติดและอยากให้เป็นไปตามความความหลงของเราตามความต้องการของเราชีวิตของเราจึงมักจะมีความว้าวุ่นมีปัญหามีทุกข์อยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะเราไม่มองโลกด้วยไตรลักแต่เรามองโลกด้วยความหลงคือหลงว่าโลกนี้ นิจจังทาวรมองว่าโลกนี้สุขขังมองว่าโลกนี้อัตตาตัวตนเป็นตัวเราของเราเราก็เลยมักจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจผิดหวังเสมอเพราะเราไม่ได้มองความจริงด้วยความจริงนั่นเองเรามองความจริงด้วยความหลงความหลงของเรากับความจริงนั้นมันอยู่คนละ ด้านกันพอความจริงปรากฏให้เราเห็นชัดๆเราก็ทุกทรมานใจเพราะเราหลงยึดติดอยู่กับความหลงของเราเราคิดว่าสิ่งที่เรามีนี้จะให้ความสุขกับเราไปตลอดจะไม่จากเราไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในที่สุดพอเขาเปลี่ยนแปลงเ้าทำท่าจะจากเราไป เราก็ทุกทรมานใจเช่นร่างกายของเรานี้ก็เช่นเดียวกันเราก็รู้อยู่แต่เรารู้ไม่ทันเรารู้เพียงแป๊บๆรู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่รู้อย่างต่อเ น, นื่องอยู่ตลอดเวลาเราทำอะไ ร, รเรานอกจะลิีคิดไปว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าทุกครั้งที่เราทำอะไรเราคิดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ใจของเราจะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวใจของเราจะไม่ยึดไม่ติดใจของเราจะปล่อยวางตลอดเวลามีอะไรก็มีไปแต่ก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแยกทางกันต้องจากกันนี่คือปัญญาหรือธรรมะอวสุปัจจัยสีปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ ยารักษาโรคใจนี้เองถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้ก็ให้เราเจริญสมาธิไปก่อนทําสมาธิด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกด้วยการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเวลาทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับการกระทํากิจกรรม ให้ใจรู้อยู่กับกิจกรรมอย่าไปรู้กับเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทําอยู่แล้วใจของเราจะมีผู้ที่จะคอยควบคุมดูแลให้ใจเข้าสู่ความสงบได้พอเราควบคุมให้ใจอยู่กับการสวดมนต์ก็ดีอยู่กับการบริกรรมพุโทโธก็ดีอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกก็ดี ในเวลาที่เราไม่มีกิจกรรมต้องทำเรานั่งขับสมาธิตั้งตัวให้ตรงหลับตาแล้วก็กำหนดบริกรรมพุโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปหรือสวดมนต์ไหว้พระไปตามแต่กรณีของใจแต่ละคนที่มีหยากมีละเอียดต่างกันถ้าใจยังอยากอยู่จะไม่เกาะติดอยู่กับลมหายใจ จะไม่เกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุโทโธก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนหรือว่าอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอย่างที่ญาติโยมกำลังฟังอยู่ขณะ น, นี้ถ้าตั้งใจฟังใจจดจอ่อมีสติอยู่การฟังไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆใจก็จะสงบเป็นสมาธิได้ในร ะ, ระดับหนึ่งพอจิตสงบลงไปได้ระดับหนึ่ง ท่านต่อไปเราก็สามารถใช้การบริการพุโทโธหรือสามารถใช้การดูลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะดึงจิตใจให้เข้าสู่พวังของสมาธิให้จิตรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตารมเป็นอุเบกขามีแต่สักแต่ว่ารู้ปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผุด พ, พะะไม่รับรู้ไม่สนใจรู้อยู่กับความสงบรู้อยู่กับความว่างรู้อยู่กับความสบายใจนี่คือเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะใช้เป็นที่หลบภัยจากปัญหาต่างๆจากเรื่องราวต่างๆได้เวลาที่เราประสบกับข้อกรรมต่างๆเช่นพัดพากจากสิ่งที่เรารัก หรือเจ็บไข้ได้ป่วยเราอย่าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนาน า, นาคิดไปในทางกิเลสตัณหาเช่นอยากจะหายหรือว่ากลัวจะตายคิดไปอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นถ้าเรายังปรงไม่ได้ยังรับอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายไม่ได้ ก็ให้เข้าไปในสมาธิก่อนให้ฟังเทศฟังธรรมไปให้สวดมนต์ไปให้บริกรรมพุทโธไปให้ดูลมหายใจเข้าออกไปเพื่อที่จะควบคุมบังคับไม่ให้ใจไปปรุงแต่งให้คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานากับความกลัวความตายหรือกับความกลัวความเจ็บปวดหรือความอยากที่จะหาย เรื่องของร่างกายปล่อยให้เป็นเรื่องของหมอและเรื่องของยาหมอเขารักษาอย่างไรก็ให้เขารักษาไปยาหมอให้รับประทานเราก็รับประทานไปแต่ใจของเรานี้เราต้องรักษาเองเราต้องเป็นหมอเองเราต้องให้ยาของของใจกับตัวเราเองหมอคองรักษาใจเราไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องทำสมาธิ หรือไม่ก็เช่นนั้นก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยมมันค่อยๆเดินไปสู่ความตายทีละก้าวทีละก้าวทีละวินาทีชีวิตของเรานี้สั้นลงไปเรื่อยๆสั้นลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะต้องหยุดลงร่างกายนี้จะต้องหยุดทำงานพอมันหยุดทางานแล้วมันก็จะแยก ออกจากกันแยกธาตุน้ำก็ไปทางน้ำลมก็ไปทางลมไฟก็ไปทางไฟดินก็ไปทางดินใจก็เป็นผู้พิจารณาก็รู้แล้วก็ปล่อยวางถ้าใจพิจารณาตามความจริงแล้วใจจะไม่มีอุปทานจะไม่มีตัณหาความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปอย่างนี้ ร่างกายพอหยุดทำงานแล้วก็ต้องแยกออกจากกันธาตุที่มีอยู่ในร่างกายก็จะแยกออกจากกันใจผู้รู้ก็รู้ได้อย่างสบายไม่วุ่นวายไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะถูกความหลงเข้ามาหลอกให้คิดว่าร่างกายนี่คือตัวเราของเราเวลาร่างกายกำลังจะตายก็คิดว่าเรากำลังจะตายไปด้วย แต่เรานี่ไม่ตายเพราะเราอยู่กับใจใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายความจริงร่างกายเขาก็ไม่ได้ตายเขาก็ไม่ได้เป็นเขาเป็นการรวมตัวของธาตุสีดินน้ํำลมไฟแล้วก็ถึงเวลาที่เขาต้องแยกทางกันเขาก็แยกทางกันเหมือนน้ําที่ระเหยขึ้นไปในอากาศแล้วก็ไปรวมตัวกันเป็นเมฆ แล้วเมื่อรวมตัวกันมากขึ้นหนักก็จะตกลงมาเป็นน้ำเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ น, น้ำลมไฟก็มารวมตัวเข้ามาในร่างกายของเราแล้วก็มาเป็นผมขนเล็บฟันเป็นอาการ32พอถึงเวลาเขาจะแยกกันเขาก็แยกออกไปเป็นน้ำเป็นเินเป็นลมเป็นไฟ นี่คือการเจริญปัญญาพิจารณาอนิจจังและอนัตตาอนิจจังก็คือเขาไม่อยู่กับที่ไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการรวมตัวกันในเบื้องต้นแล้วเราก็จะมีการแยกตัวกันในบ้านในบ้านปลายแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นอย่างอื่นได้ ใจที่มาครอบครองก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ร่างกายหยุดแยกออกจากกันไม่ได้แต่ใจสามารถที่จะหยุดความทุกความวุ่นวายใจได้ด้วยการดูความจริงและไม่คิดอะไรให้มันนอกเหนือไปจากความจริงเช่นไม่อยากให้มันแยกออกจากกันอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปคิดอย่างนั้น ต้องคิดว่ามันต้องแยกมันต้องเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันแยกให้มันเป็นอย่างนี้แล้วใจจะไม่วุ่นวายใจจะสงบเพราะใจไม่ได้แยกไปกับดินน้ำลมไฟใจไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟเพียงแต่ความหลงหลอกให้ไปคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรก็ทุกข์ทรมานใจวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าวุ่นคนบัว อยู่ตลอดเวลาดังนั้นนี่คือวิธีที่เราจะดูแลชีวิตของเราถ้าทาถ้ายังไม่สามารถจเจริญปัญญาแยกแยะธาดได้พิจารณาอนิจจังได้พิจารณาอนัตตาได้พิจารณาทุกข์ได้ก็เอาวิธีทำจิตให้สงบเป็นที่พึ่งไปก่อน ด้วยการสวดมนต์ก็ดีฟังเทศฟังธรรมก็ดีวริกรรมพุทโธก็ดีดูลมหายใจเข้าออกก็ดีให้ใจสงบเย็นสบายอย่างน้อยก็จะพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั่วคราวแต่ถึงเวลาที่ใจต้องออกมาจากสมาธิก็จำเป็นจะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาเดี๋ยวก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที ว่าความหลงความอยากจะเริ่มทำงานจะหลอกให้เราคิดอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่มีใครบ้างที่อยู่ไปนานๆไม่มีใครสักคนในโลกนี้ที่อยู่ไปได้นานเกินความจริงของเขาไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีมหากษัตริย์พัฒนาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือคนธรรมดาขอทานข้างถนน ก็ต้องเป็นเหมือนกันทุกคนต้องมีการสิ้นสุดลงสิ้นสุดที่ร่างกายเท่านั้นแต่ใจไม่สิ้นสุดใจนี้ก็อยู่ที่ว่ามีปัจจัยสี่ดูแลมากน้อยเพียงไรถ้ามีปัจจัยสี่ดูแลมากก็จะวุ่นวายน้อยมีความสุขมากจะไปอย่างสบายถ้าใจมีปัจจัยสี่ดูแลน้อย ใจก็จะไปอย่างว้าวุ่นขุ่นัวไปอย่างมืดบอดอยู่ที่เราอยู่ที่เราจะทำเราเป็นผู้ดูแลใจของเราเราเป็นเจ้าของใจของเราถ้าเราดูแลใจด้วยปัจจัยสีอย่างสม่ำเสมอใจของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่ว้าวุ่นขุ่นโม่ ไม่เศร้าหมอนี่คือการดูแลชีวิตของเราส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ชั่วคราวคือร่างกายส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ถาวรก็คือใจของเราเราควรที่จะดูแลส่วนที่ถาวรให้มากกว่าดูแลส่วนที่ไม่ถาวรเพราะว่าส่วนที่ไม่ถาวร น, นี้จะดูแลดีขนาดไหน เดี๋ยวไม่นานเขาก็จะต้องล้มละลายไปไม่ดูแลให้มันดีมันก็ล้มละลายไปเหมือนกันผลเท่ากันแต่ใจนี้ต่างกันถ้าไม่ดูแลใจก็จะวุ่นวายใจจะเดือดร้อนมากแต่ถ้าดูแลแล้วใจจะสบายใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายสัง่ง นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่สามโลกเพราะไม่มีใครรู้เรื่องใจเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องของใจพวกเราก็จะต้องทุกข์วุ่นวายใจกันไปไม่รู้จ บ, จบจากสิ้นเป็นเวลาอันยิ่ยาวนาน พวกเราทุกวันนี้มีโอกาสที่ดีแล้วเพราะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงสาวุกมาคอยบอกเรามาสอนเราให้เรารู้จากการดูแลรักษาใจเพื่อที่เราจะได้มีแต่ความสุขเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย จากการพัดพรากจากกันด้วยการดูแลรักษาใจด้วยปัจจัยสี่คือทานการให้สิงก็คือการไม่เบียดเบียนสมาธิก็คือความสงบของใจและปัญญาก็คือใจรักความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงถ้าเราหมั่นสร้าง ม, มันดูแลจิตใจของเราด้วยทางศีลสมาธิปัญญาแล้วใจของเราก็จะต้องเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอยู่ที่ความภาคเพลยนของเราดังที่ท่านได้ทรงตัดได้ว่าหลุดพ้นได้ด้วยความภาคเพียนเราจะหลุดพ้นได้นั้นไม่ได้หลุดพ้นด้วยพพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ แต่เราหลับถุดพ้นได้ด้วยความภาคผพีรของเราเองด้วยการนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบฉบับมาเป็นผู้สอนผู้สั่งเราเราจึงควรที่จะอย่าปัดหน้าที่ของเราให้แก่ผู้อื่นอย่าไปวิงวอนขอสิ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆว่าขอให้ชีวิตดีขึ้นให้ร่าให้รวย ให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ขอไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเกิดประโยชน์ตอนนี้พวกเราทุกคนก็รวยกันหมดแล้วเพราะไม่มีใครเคยไม่เคยขอกันเลยขอกันทุกค น, ออ น, นขออย่างนั้นขออย่างนี้แล้วมันได้หรือเปล่ามันไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ทำกันถ้าทำแล้วเราได้อย่างแน่นอนเราจะได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้กัน จึงขอให้เราจงมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆและมีความเชื่อมัน่นในความภาคเพียรของเราว่าจะเป็นผู้ที่จะนำพาเราให้ไปสู่ความสุขและความเจริญนาพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นเหมือนกับปัจจัยสี่ของใจนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหุกพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่า น, นี้ขอคุณพระศลีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ใม่ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วคราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ